มันมีเข้าปนว่ากสานประเทศไทยจะได้สร้างประโยชน์บงออกมันมันมากเกินไปใคจะไปช้หมดเบีงกมัมากเกินไปเอาท่็ะน้อยเที่ยงใหญเกินไปอ๋้างฉันก่อนะะก็อย่าเดียวนก่อนเนาะอใน้เยอเมกันเออมันเหนียวแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ถ่ายวันนี้ นนวันนี้ไม่ไม่ถ่ายอ่ะวันวานนี้ก็ไม่ถ่ายวันนี้ก็ไม่ถ่ายอืมอมจัดรัวหก้าวหนักมากแทมันกาเริบขึ้นเวลนเวลาความต้านทานน้อยหกมันก็กําเริบขึ้นเพอา่าล้โให้ลงไปชั้นล่างแล้วนะค ถ้าแม่ไปก็ได้เอาทุกเป็ น, นอาจารย์เป็นอาจารย์เช็ดหลับอาทุกเป็นอาจารย์เช็ดหลับก็คือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็สอนให้มีอาจารย์ทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาาก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงก็สูอิงอามิ สุกมาเองอามิตรเองเนียกขมจเป็นของเที่ยงจเป็นของก้าวหน้าสุกในพระสวสดาบันเป็นสุกก้าวหน้าสุกในสัคาคามีก็าก้าวหน้าสุกอน า, าคามีก็าก้าวหน้าสุกพระอรหันต์จบสุกแล้วกลับก่ า, กานั้นลงมาเป็นสุกในทางโรคีไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาแต่ว่าเกิดแล้วแต่ปรวนแล้วแต่ตลายไม่สมประสงค์ของสัตว์ทงหลายไม่สมประสงค์ของสัตว์ทลายก็ตามแต่ว่าสัตว์ายก็มกุมง่งประสง์อยู่อย่างนั้น ว่าเข้าใจผิดเมื่อไม่เข้าใจผิดละกะวางพวกที่ไม่เข้าใจผิดท่านกวางท่านก็เข้าสู่พรนิพพานไปมดสัท่านเลยไปเสวยสุขหรือในอันมันไม่เกิดไม่ดับคือพระนิพพานมีราบหนึ่งไม่มีราบหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งิพพานสันสวรร์หนึ่ ง, งทุกหนึ่งทุกหนึ่ง โลกประคโลกกระทาแปลปะการนี้แหละถูกใจสัตว์ทั้งหลายอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายเขาเป็นไปตามโลกธรรมทาไมมันนึกคิดมากแค่จิตใจนันแสวงหาความสุขของมันเมื่อมันไม่เห็นมันก็ลึกไปเรื่อยวันไปวันมาวันไปวันม า, นมาเป็นวัฏฏวุลตาไปเห็นรูปก็มา ส่งเมฆขั้นใจหูได้รับเสียงมาก็ส่งเมย์ขั้นใจจมูร้มงเกินมาก็ส่งส่งเมฆขึ้งใจเล่นได้รับรถก็ส่งเมย์ขึ้นใจกายรับโผฏฐัพพะก็ส่งเมฆขึ้นใจธรร ม, มารมคืออะไรบ้างก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอารมณ์มาแล้ว ที่ยังเป็นอารมณ์ในปัจจุบันที่ยังมาเป็นอารมณ์เนี่ยมาในอนาคตเพราะอารมณ์ของเก่าเองแล้วทั้งไหนก็ท่องเที่ยวตามของเก่านี่ต้องเที่ยวตามลูกเสียงกสียงรถกวดพระธรรมอารมณ์ที่เป็นอดีตบ้างที่เป็นอนาคตบ้างที่เป็นปัจจุบันบ้างพรักก็รักอย่างเต็มที่พอชังก็ชังอย่างเต็มที่พอหลงก็หลงอย่างเต็ที่แล้วทางไหนก็ท่องเที่ยวอยู่ในนี้พระอาหันต์คนก็คดูอนายเมดเนี่ย เพรเรายังไม่ทันเบื่อหน่ายเพราะพิจารณายังไม่พอถ้าพิจารณาพอมันก็เบื่อหน่ายเพราะนั้นถ้าจำลืมตาไม่พอมันก็มาเห็นถ้ากินข้าวไม่พอทาอาหารไม่พอทานอาหารไม่พอมันก็ไม่อิ่มแต่เมื่อมันอิ่มแล้วมันก็ไมาคืนมาเหี่วอีกเหมือนอาหารถายนอกเมื่อมันสิ้นความสงสัยตอนไหนมันก็ไม่มาสมบทคืนสงสัยอีก เชนเห็นว่าโลกเจ็ไปด้วยกองทุกข์เป็นไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอันใดจะยิ่งไปกว่านี้ในโลกอันนี้มีสิ่งเท่านี้ที่ปกครองโลกอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาคือเพื่อนักแปลโภคกระแสไเมื่อมันเห็นโลกอย่างนี้แัดแจ้งแล้วอืใครจะว่าโลกเป็นของสนุกสุขสนุกผาสุขสบายยังไงมันก็ไม่เชื่อเมื่อมันไม่คับคามันก็ฟังเฉย ถ้ามันคลับมันก็คลับแก่ปก่แต่จิตใจมันไม่รู้เพรมันเห็นชัดแล้วคลับพอแก่ลาคามญ เ, เ, เ, เฉยๆทีนี้ความสงสัยในโลกทั้งปวงมันก็ไม่มาขบขึ้นอีกเมื่อไม่มาขบขึ้นอีกปัญหาของเราก็ไม่มากสัญหาที่จ อ, อกนิ่งออกลายอยู่ในโลกมันก็ไม่มากน้อยลงน้อยลงน้อยลงยิ่งพิจารณาก็ยิ่งจิตก็ยิ่งสูงขึ้นกว่าความลงของตนชนะก็ชนะความลงของตนเท่านั้น คือแพ้ก็แพ้ความหลงของตนเท่านั้นแพ้ทางอื่นชน ะ, ะทางอื่นไม่มีในพัคคุตศาสตรส์หาแต่ชาวโลกออกม า, ชากมใช้กันเมื่อชาวโลกออกมาใช้กันก็มีแต่เวนชน้องเวนไปชน้องไปนี่ธรรมะอันแท้ของวัคคุตศาสตร์ศาสนาเนี่ยธธทำไมถึงเลี่ยนลนในการทํามะหา ย, ยัางชีวิตพวกเราก็เลี่ยนลนเพราะจะได้ มาในทางสะดวกสบายเพื่อได้ปฏิบัติสินธรรมเพื่อคนทุกข์ทันดีไม่ใช่อรื่ออื่นเพื่อให้มันเป็นสเสบียงปฏิบัติเพื่อคนทุกข์เท่านั้นแหละไม่ใช่เรืออื่นถ้าปัจจุบันอื่นแล้วไม่ถูกจะมีเต็มแผ่นดินแผ่นฟ้าก็ตามมีกีนรนาน ก, ก็ตามก็องเพื่อจะพาปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในมัฏสงสารเท่านั้นต้งนึกอย่างนั้นจริงจ จะมีน้อยทักยาไหนก็ตามจะเป็นกระดาษยกขอคนขอข้าเขากินก็ตามจะไม่นีสจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนั้นถูกละพระพิจรณานะจะไม่นีสจากควาภาวนาพุทโธจะไม่นีสจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์อนั้นเรียกว่าพิจารณาถูกแล้เวเขามีที่อยู่นีที่พึ่งที่อาศัยมากเป็นไม้ลอยนะ้ํา ไม่เป็นว่าเชื้อขาดเป็นเป็นผู้มีที่เกาะมีที่พึ่งซับภายนอกจะมีกี่ล้านกี่แสนก็าตามถ้าไม่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเขาเรียกว่ามันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีที่พึ่งซับภายนอกพึ่งไม่ได้เอามาให้ทางรักษาเสียงอาวนาจึงจะพึ่งได้สําหรับเจ้าหัวเฉยๆพึ่งไม่ได้มีน้ำํำซ้าไปเปื้อนเฝ้าไปก่อแล้ว เ ป, เป็นจี้หยกเป็นตุ๊กแกอะไรต่ออะไรล่ะพระบรมาสารดา็นคนจนจนถึงหาบคือฟืนขายไมีวิชาหาเฟืนขายก็ได้หาคบหาเฟืนขายหาเฟืนขายมาเรื่องมานาวิดา แบ่งทรัพย์ออกไว้เป็นสี่ส่วนแต่ละวันแต่ละวันต้องแจกให้แต่ละวันนวันสมสมุติแจกไว้สมมุติตั้งไว้แต่ละวันนวันต้องงบประมาณไว้แต่ละวันนวันได้ท่าไรก็แบ่งออกเป็นสี่ส่วนได้เท่าไรก็แบ่งออกเป็นสี่ส่วนๆๆแต่ๆๆๆๆละวันนวันส่วนหนึ่งเอาไปให้งูเห่าถ้าไม่ได้มันเห่าฟอก ส่วนหนึ่งเอาไปทิ้งใส่ทะเลหลวงคือทิ้งใส่ปากใส่ท่อทิ้งใส่เท่าใดมันก็ไม่เต็มส่วนหนึ่งเอาไปใช้นี่คือมีดามันดาเป็นเราเป็นนี่เป็นศีลท่านส่วนหนึ่งเอาไปฝากครังคือเอาไปให้ทานรักษาศีลเอาไปให้ทานเพื่อประโยชน์ในพระพุทธศาสนาหรือตลอดเส้กระยาจบคนขอถ้ามีมาก อย่างทรัพเป็นสี่ส่วนเกิดว่าเพราะใดชาติใดก็ดีไม่ได้ทิ้งทานวัตรศีรวัตรภาวนาวัตรหรือวิดามานาเลยคนที่คนใดทิ้งวิดามานาเ็าเรียกว่าทิ้งพระรหันคนใดปฏิบัติวิดามานาก็คือปฏิบัติพระรหันนั่นเองพระบรมศาสดาว่าไว้แล้ว เหมือนกับปฏิบัติพระนั่นเองเพื่อใด้ปฏิบัติวิดามานาเหมือนกับปฏิบัติพระพระก็ยังมีเรื่องอยู่พระผู้ทีชมคนหนาก็มีเพื่อใด้ปฏิบัติวิดามานาที่เรียกว่าปฏิบัติพระอรหรี่ย์คาว่าพระยังเป็นความรวมอยู่พระผูผ้ทีชนก็มีท่านเทียบคุณของวิดามานาเปรียบเหมืนนอนพระสารพระรมสารนาวิดามานาของพระโมกขลาเป็นเมตช้าทิฏฐิ ถึงอย่างนั้นท่านก็เลือกเามันดาของของท่านเปรียบเหมือนคุณพระหันมันจะไปคําบ้างนโมไว้เมื่อมาชนกระบอกนี่กระบอกนี่จะแขวนไว้ที่ประตูกระบอกแล้วก็เอาเปลือกออกให้บางๆเหมือนเปลือกข้าวรามออกอย่างเหีือนิดเดียวพอชนป๊อกให้คุณมันดาบอกว่านโมตะสะไปนั่นเนอมันดาไมว่าซะ เาไปชนปั ก, กมันก็หาจะตักหาจิตปอดมันบ้างอะไรหาจะตักหาที่ปอดมันถึงอย่างนั้นองค์ท่านก็ยังอุตส่าห์ยังอุตส่าห์พยายามเอาก็เลยไม่ได้นี่คาสอดถามเข้ามาว่าพระโมคคัลามีบุปกรรม์ยังไงพระสารีบุตรมีบุพภ ร, รมม์ยังไงจึงได้ไปเกิดในตระกูลเมตสาสิชกิซึ่งไม่เริ่อมใสในพุทธศาสนาเราเขาเรียนมาถึงสัก ไม่ได้ม่ได้ถามไม่ได้ม่ได้ถามทัดพุรุภาษาเดียบุตรพระธรมาลเอาได้พระทรมานเอาอมานดาได้ถึงพระชวดาวันส่วนพระโมกขลาไม่ได้เลยเพราะมานดาสิ้นลงปรางแล้วพระโมกขลาก็าเหาะเหินเดยอากาศเข้าฌานไปหามานดาว่าไปเกิดที่ไห น, นไหาไมาเห็นท่านบรมศรรสาสตร์ทราบโมกขลาเธอไปหามานดาของถือเห็นไหม ไม่เห็นพระเจ้าค่าเธออยากเห็นหรือไปดูห้องถ่ายสิมีหนอนอยู่นั่นเกิดเป็นหนอนะนะบรรดาของเธอเพราะห้องถ่ายแต่แต่โบราณไม่ใช่ห้องชอบซืมอ่างนี้ไม่ใช่ห้องซืมอ่างนี้ถ่ายโลนโลนโ ล, น, ล, น, ลนเลยเป็นห้องหมูถ่ายให้หมูเป็นหลุมเป็นหลุมไม่ได้ปิดเหมือนทุกวันนี้ พระมีห้องถ่ายก็เพิ่งมีมาในระหว่างสามสิบสี่สิบปีนี้ครับพรมันนอกเช่วมซึมแต่ก่อนมันอยู่ในกรุงเทพมีอออกมานอกต่างจังหวัดในระหว่างสามสิบปีกว่ามาเท่านี้แหละผ้าเชัดกระดาษที่เชัดทวานหนักก็เหมือนกันที่เชัดสมของตัวปกก็เหมือนกันเขาเรียกว่ากระดาษอะไรกระดาษ นามัยนามานี่ก็เพิ่งมีมาในระหว่างสามสิบปีใช่ไหมถ่ถขอไม่มีนะในบ้านนอกก็คนทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่มั่นไม่เอากระดาษที่มีตัวหนังสือลงในกระถนไดแลเช็ดทวันหนะักทวันเบ า, เบาตัวหนังสือไม่ได้เอาเช็ดเพราะองค์หลวงปู่บอกว่าจะเป็นหนังสือ ใดๆประเทศใดก็าตามที่มีตัวหนังสือไม่ยอมเอาเช็ดไม่ยอมบ้วนน้าลายใส่ถ้วยกระโถนกระดาษที่มีหนังสือแล่นไม่ยอมเอาเช็ดตะวันหนักทะวันเบาหรือไม่ยอมหยียบย่ำข้ามกายข้ามกายก็ไม่หมดไม่ทําเว้นไแต่เลื่องวิสัยมีมากถ้าเห็นอยู่ในวัดองค์ท่านก็ไม่ออกองค์ท่านก็ไปเก็บเผาไฟหมดองค์ท่านเทศหนังสือทุกชาติทุกพบ ต้องอเคารพเพราะสามารถจารึกคําสอนพระพุทธศาสนาได้ท่านพูดนะคําคสอนของพระองค์ได้ท่านเคารพที่สุดเหตุนั้นท่านวางความเคารพไว้เมื่อท่านละล ะ, ะกาเลหรือเมื่อท่านเข้าสู่โคนีพานไปก็ดีหรือเมื่อท่านสิ้นลงปานก็ดีจึงมีผู้แย่งกันนับถือท่านเคารพท่านอยู่เหมือนพระอริยะสงฆ์ไม่มีผู้ประมาทเลยน้อยคนที่สุดละ ความเคารพทําสร้างไว้แล้วถึงจะมีชาติไม่พบ อ, อยู่พวกที่หนักไปในทางเคารพเป็นผู้เกิดตระกูลสูงเช่นสมเด็จพระบรมนายชาเป็นต้นองคท่านเคารพมากแต่ชาติ ก, กรุงกรองค์ท่านยังได้เป็นเชือกกระสับวงตระกูลเป็นสมเด็จพระบรมนายชาพระบรมลงสรารวงศ์ พรรมราชาเคารพมากผู้เฒ่าผู้แก่แต่คาดกฎก่อนทิกสุธรมเ น, นิอุบาสกภพคุณระบุดท่าไผ่รังก็ดีพ่อป้าก็ป้าก็ลุงก็ลุงพ่อคนหนูก็คณหนูไม่ได้กระทบกระเทือนใครไม่ได้จองเวรจองภัยจองจองเวรจองภยังงงภยกับใครมีแต่เอาความดีออกสู้เคารพเกรงใจทั้งนั้นเหตุฉะนั้นจึงไ ด, กกด้เกิดตระกูลสูง ไม่ใช่บันดาลไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าแต่งให้เกิดพระผู้เป็นเจ้าก็คือพระผู้เป็นเจ้าใจที่สร้างไว้นั่นเองเราจะไปหาพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนพระผู้เป็นเจ้าใจเป็นผู้สร้างความดีความชั่วก็ดีพระพุทธศาสนาสอนพระผู้เป็นเจ้าสอนใจเราเราพระผู้เป็นเจ้าแต่ละคนละคนพระผู้เป็นเจ้าขาบอกเตอน พระผู้เป็นเจ้าทำให้ดีเนาะข้าว่าอย่างนี้แหละนั่นใจของเธอเรื่องับพระผู้เป็นเจ้าของเธอเขา อ, อยากไปทำชั่วเน้ะพระผู้เเจ้าของเธอถ้าโชคดีเับพระผู้เป็นเจ้าทำดีพระผู้เป็นเจ้าก็จะโชคดีล้วเลือกดียามดีก็มือนกันพระผู้เป็นเจ้าทำดีก็เป็นเลิกดีพระผู้เป็นเจ้าทำชั่วก็เป็นเลิกชั่วของพระผู้เป็นเจ้าแต่คนอื่นเขาทำดีเขาได้อยู่ ความดีความชั่อสัตว์แต่ละท่านแต่ละคนสร้างขึ้นที่มโนภาพพระบรมศาสดาสอนอย่างนั้นไม่ใช่คนหนึ่งสร้างชั่วขึ้นแล้วคนหนึ่งจะได้รับด้วยกันหมดไม่ใช่อย่างนั้นต้องครยข้อมันเช่นบางปรณีมันเกี่ยวข้องกันมันก็ได้รับเหมือนกันเช่นเขาเอาไฟเผาบ้านเนี่ยนี้มันไหม้บ้านคนอื่นไปอีกเดือดรอดอีกคนกัน ถ้าเน ก, กนกระำกระนำก็ละอาเดีย่นี่เมื่อคืนนี้อาเกียนของแก้วนอาเกียนเลยอาเกียนก็ไม่ออกดอกออกแต่น้ำลายของแก้วใหญ่ไม่ใช่องหน่อยหาเรื่อง เขาเรียกว่าเมียแล้วอันที่สองให้ใครเขใช่นี่นเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว อ, อ่ะ อ, ะ, อะเดี๋ยวพูพ้ผูดทางทางพูดทางหยาบเสียก่อนอันที่สองเอาไปทิ้งในทะเลหลวงเอาไปกินไหมคะชื่ออาหารที่เอาไปกินทิ้งทิ้งใส่ทสสะเลหลวงเขาเรียกว่าเอาไปกินเพราะมันไม่เต็มเป็นแล้ไปใส่ปากทะเลหลวง ที่สามเอาไปใช้นี่คือให้มารดาเิดาเพราะเป็นนี่องค์ท่านแบ่งแบ่งเป็นสามส่วนแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนที่4ี่บุญส่วนที่สี่เอาไปฝังไว้ในพระครังมหาสมบัติคือธํามบุญธํามบุญในแม่พระก็ดีธํามบุญในคนแก่คนเฒ่าก็ดีทนักยาจกคนขอก็ดีจัดเข้าในกองบุญนันอะ โยแม่ของพระโมคคลลาไม่สนใจปฏิบัติธรรมผู้ศาสนาที่ว่าตาบอดมีใช่ไหมถูกตาตาบอดตาบอดเนี่ยตาตาบอดหมายความว่าชาติก่อนชาติคนก่อ น, อ น, อนที่ยังสร้างมรรมีชาติเป็นพระโมคลาอยู่ยังไม่ตาบอดหมายความว่าในชาติคนก่อ น, อนโอ้ยกล้อโข่ หรือว่าชื่อของท่านในสมัยนั้นจะเป็นมกคลาหรืออะไรไม่ทราบแต่เป็นวิญญาณตัวเดียวไปค น, ล ะ, น, นะคนละชาติไม่ใช่ชาติปัจจุบันเป็นปรโโหค่ก็ลูกกมาแล้วก็ากอภราในวันที่าขาโคเทศเป้ก็ยจะกลครับวันนี้สาขะโภเทศผลดแล้วก็เอาไป ในนั้นคืออะ้รอ่อนเรื่องกระถินท่านรับว่าปู่ม่อ้เป็นเรื่องของประชาชนอย่างเดียวจะตั้งวันท่นนททานตอนนี้เลาวปู่พูดมันเป็ี่ยนครับกลุกจะนั่นกันเองเราทำไม่ตั้งวันท่านั้นตอนนี้ ท, าทา่ากรถิ่นราไปเล่าว่าเออมาช่วยกระถินมากเออของโยมคนนั้นมาช่วยกรถินมากโยมคนนี้มาช่วยกระถินมากแล้งปู่เขพูดมาเป็นข้อผิดเท่าไหร่ ไม <polit> no e ่ในไม่สงอันวุยระกปูครับก้องทำขาดรักปูมีอาการเหนื่อยขึ้นไรครับเออเหนื่อยอยู่เดียวเนี่ยเหนื่อยอยู่มาก่เดียวเนี่ยาักลูกใหญ่เชิญรักยันตริมินถายในวิสาขะอันนี้ถวายเฉพาะตรวจรักปูนะแต่รัจะไป เขาาเฉือนโผล่คะแนนของลูกขอดของลูกของทกในการทานของลูกชายอยของคุณแม่อีกดอยงออกได้ออกได้พุมก็คือพู่คิดพุ่ใจคห้หัวพุ่มอยู่นี่อยู่พุ่มคิดพุ่ใจหพุมคิดพู่มใจเขาจะ่าทระสอนะควเขาพุ่มอยู่่งวพมกจกอ ออกมาเป็นยอโอให้ตั้งสือให้เอกฮน่าซือยังก็เปิหดเล็บใหญ่ไมคะเป็นเลเหลือไหมคะเล็บใหญงยงั้นักเล็บไหมโลนี้มันเป็นโลกี่พ่อดีมันกวมระดับพ่อดีมันจะว่าอยู่บ้นไหนมองท่านเอาโลนมันมองีพวนระดับพอดีนี่ถ้าข้าสองข้อบริจาคกวนระดับพ่อดีก็โซดาหวานกันพ่อดีแบบนึง พระเ้าค่าฆมีดพอดีขึ้นไปอีกพระอานาฆ่ามีดก็พอดีขนไปอีพระนารหันดับพอดีพ่อเนี่วองาตเราดหรอะธรรมศาสก็คือกันธรรมศาสตร์พระโสดาบันพระค่าฆ่าีอานาฆ่ามีอรหันถึงธรรมศาสตรทานั้นทางนั้นถ้ำะธรรมศาสรก็เป็นของกลางธรรมแลธรรมศาสตร์ก็เป็นของกลาง ถามบเรืของกลางมาทั้งตัวกับนีของกลางมาทั้งดีของนี่ท้องกลางมาทั้งโลคพุทธละกับนี่รักายอย่างไรละส่นที่นอกมาไลเาพิ่มมากวันโตส่นพี่นอกม า, ากมาบอะว่าห้าพูสิบปดเยี่ยมปยายามเขาว่าไม่อะไร่ไน่ อ, รนองอรยาไรวงราะว่ามันไม่พอดีรัาหลอไ่าจะคุ้นถามาเฉีดีวอล่ะแต่มาตฐานนี่มันไม่พอดีแตพดี ถ้าร้อนมันก็ร้อนเกินไปถ้าเย็นมันก็เย็นจนบูดท่านพู่ท่านเคยดูอยู่ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีถ้าร้อนมันก็ร้อนเกินไปถ้าเย็นก็เย็นเกินบูดจนบูดก็มาถานไม่พอดีแต่ว่าท่า น, นับออาถึงกรรมฐานอยู่หลงวงปู่มาหลวงปู่จูมพันธ์โชลท่านเจ้าคุณธรรมเจดี ไปไซก็พอจะดีกับสัวหัน่นในโลกอันนี้ในโลกอันนี้ม่จะดีกับสัวมีพุ่นเผดหันไ ม, ม่โทษเดนนานั่นในโลก น, นิตใจขมีพุ้นเผดหันหเขมโทษเผดานั่นเช่นน่าตู่ตเคยมากกักไป 做什么呀？呃，干啥子衣服吧？啊？做菜行。呃，什么？穿衣服穿哪？穿裤子。嗯。那鞋，什么？什么鞋？什么鞋？什么鞋？六七。哦，六七。那裤子。嗯。那你们喝不喝茶了吗？ กูโทรจทกลอกรจองทั้งกลอฟ้าไม่ใช่มีเขาสวยเลี้ยงายช่มากนี่ดิีเาอราขาสวยถ้ากันทิ้งหี่คือรตองจับใกล้กบแกแก่บรู้าว่าต้องจับใกล้กแกแก่หรอไฟสายก็ไม่โดไฟดอกนาโร โย่ใช่ก็บม่เงินวันอยู่มันมุยมันไปมันมุ่ย ม, มันอยู่แ <c oughs> ต่ก็พาเรียเจ้าคนไปอยู่นไปในหลงนี่คนหนีไปอยู่คนอื่นเ ข, ขาโซา่คนทุกข์ทาช้างไปทะเลจะเกิดจะแกจะเก็บ จ, ะ, จ ะ, ตะตายจะลกจะโกดจะร้องเห็นตะเวนจะไ่ยเห็นสิ่ง่จะอยากเห็นจะพ้นมันวั่นเที่ยงเห็นไปเห็นหน้าเห็นไปเห็นหน้าเห็นไปเห็นหน้าอกา็ตัวศีล กลื่ายเป็นตัวสมาธิเมื่องกายเป็นตัว ป, ญญนปัน้าเห็นไปเห็นมาไม่ตามสิ่ง่ครับก็ได้กายเป็นพระรทธพระมพระสงค์สอนยังไงเนี่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนานไรที่หน้ากันเนีสอนอะไรที่หาเห็นคนบวมก็จะเห็นทางออกจากวัฏสงศารผู้ศีลสมาธิปัญญาดวันสิลมาตีตะปูใส่ไว้ในวัฏสงศารอันนี้พัวกอยทางเวทน า, พาไพ่เนี่มันตีตะปูใส่วัฏสงสารเนี่ย พวกตุทธิวัดใหเทเาประสงค์ช้อนตะปูช้อนตะปูออกช้อนได้ค่าได้เอานอ่ะมันหนักขาดค่ามั่นงามันตายแล้วกเกิดขึ้นมาสอนไม่เอีเ <c oughs> จนิอดเอาาขาศาสตร์เขาสู้พันธ้ามหมดอ่ะไปว่าหอดศาสนี่ศาส์นาปารีอีฟหลวงชาตอดว่ากายพศศระนชษไม่ตายดอกขันธ์ือศาสตร์นะพุทธในศาสตร์ อย่างนัา้าในท่านในพระพุทธเจ้าพระโคดมรักษ า, าศีลศาสนาพระโคดมภาวนาในาศาสนาพระโรดมเรื่อมใช้พระพุทธศาสนาพระโคดมตแต่กลับมาเลื่อมใช้พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเชื่อวงขอแล้วเมื่อก็ไม่ทิ้งไม่ใช่ในทองมาหาสมุทรพระพุทธเจ้าคือว่า สถาบันของท่านสืร้ายคนได้่านสถาันกาของท่านสืรายคนได้ท่าน่วงไปแล้วสิมาในขางหน้าคือกันพระพุทธเจ้าเป็นทับสอนอันเดียวกันหมดนี่กับข่าว่าวห้าเหลือมสายเนี่ยพระโกตธรรมกับขวขาวห้าเหลือมสายเนีพระพุทธเจ้าทุกทุกโภคมาทำทุกทุกโภคภาริยาของพระพุทธเจ้าที่เป็นมุงใหญ่ทุกทุกโภคก็เป็นทัพอันเดียวกันเงินทัพคนละอัน พ่อธรมะว่าบรรดาปาน้าพื่นบวมบิว่าปานองน้่ปาน้าคือศานาโมวัชรพระพุทธเจ้าองค์นี้ว่านโมพระพุทธเจ้าอื่นว่านาแม่นเมะนาม่ไม่ยิ่งเส่ได้คัดของกันิงเสรดว่าอันเดียวกันี้พอสั่งเอาโหลดละช่วทำหีพระพุทธเจ้าทั้งหลายมากสอนว่าถ้าสอนเป็นติ๊กกะ จงทำกิจท่ายิ่งในการละชั่วทําดีจนทำกิจท่ายิ่งในการละชั่วตรงจงทําเจท่ายิ่งในการทําดีหรือออกเป็นพ่วงเดียวจงทำกิจท่ายิ่งในการละชั่วทําดีเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะ เราปฏิญญาสอนคิดเด้อคนตายจะสอนอะไรบ่สอนเลยเพราะวิญญาณเขาไม่ยุหันเขาจะเกิดไม่เนี่ยเรามกรรมเขาแบบนี้กะห่างกันอย่จะสอนยังไรนี่จะยืนหนาไม่ต้อสอนมันกับวระับไ่มีงานค้อถึงนี่ยนะครับส้างคนดีไว้แต่เพินมแต่ของส้างคนซัวไว้แะเบียนเวียนจต่ของซึ่งได้พวกขนจัก็ได้ทับคัวก็เบียดเวียนจต่ของ ที่ไหนมันดีคับเดี๋ยวทควดีไว้กลยเป็นที่เพิ่นเจ้าของควดีที่เขาทามาแล้วนี่เขาลลึกถึงรกับมันหอนเาก็ชัวยฮะแล้วลึกถึงไอันนดมดีอันได้ทำมาดีนนั่นบน้หออนั่กับดี๋ลึกถึงคว่ำดีนะมันเป็นุปนั่งสวรรค์เมื่อเห็นสวรรค์ปัจจุบันเนี่ยพเห็นสวรรค์อนาคต เมื่อเห็นพนธุพาพในวัจตะสงสเห็นพนธุภาพในอนาคตเพิ่ันละดับเพิ่นในวัตตะสงสารเป็น พ, พันธุภาพนะเห็นไทยในวาตตะสงสารอย่างเต็มทีมันดับเพิ่นอย่างนี้วัตตะสงสารอย่างเต็มทีปัญหาและสมุทัยมันกระดับไปนํากันปัญหาความเทวทิยานอยากได้ชื่อว่าสมุทยัยเพราะเป็นเหาแค่ทุกเกิด นายเกิดนายแกนายเก็บนายตายเขาเรียกว่านายโลกคือกันเมื่อยินดีได้เกิดนายแกได้เก็บนายตายเขาจะบูยินดีในโลกมันกันเขาเรียกว่าเป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาคือกันคข้าพเจ้าเป็นศีลด้วยสันีิเขาสร้างสร้างด้วยผิดข้าพเจ้าเป็นสมาธิด้วยผิดเขาลงทรงด้วยผิดข้าพเจ้าเป็นปัญญาด้วเขาลงทรงด้วยิดว่าแม่ศีลสมาธิปัญญาเรื่องกันอรรถอันเดียวกันทั้งกระเที่ยกับทั้งหมากันเสียนาครับตายอยู่วันเดียวกัน การเกี่ยวพ้อมกันท่านเขาจิตละเอียบสมาธิกับละเยียบปัญญาคือละเอีย ب, บจิตยาบสมาี่กับปัญญากับ <ừ. S 1> ดับจิตต้องแน่ใจละสุรนทีถทำไม้จะของทำให้ผู้อื่นทำให้จะข อ, นนะของนั้ส่งที่ข้ามทำโยน มันกับ่อแม่นแล้วมันกับเป็นเสียงโตเลโต้่ะเสี่ยงโตโตเล <c oughs> โ, โต้กันั่งสีนอนสีนอด น, น, น, นี่เอาบ่วลุกพระองค์เจ้าใส่ราบหรือขั้นสีขาดขันเ่าเป็นคนั <c oughs> น, คนดีขันสลาด <c oughs> เขาสิเอาห้าวไปเป็นเจ้าเปน็นนายเราจะทำเป็นคนสีขาดข <c oughs> ั้นสีกุ้งกุนถือกันโองค์เจ้าใส่ราบหรือขั้นสีขาด เขาเอาไฟไปสูงกบบปากเอาไฟไยังกบบปากเอาไฟไปอบกบบป า, าไไปออกมันวัดกรรมมันนั่นแล้วล่ะเสร็จแล้วอภินหารคนที่ห้ไฟสู่ได้ป่นเนี่ยนเรียกว่าด้วยขันตีปรามีัปโปโนสาสนราสนั้นสวยสาสตร์ัขันตีมูเฮ้าม่ได้ย่อโทษฝันพระ อ, องค์เจ้าดอกมูกเฮ้าปา าภาษาวกพพเจาม่ปราณสถานเปนพุทธเจ้าปาานปรพุทธเจ้า่องทุนหลายเพเอ้าเขาในรงทุนหลายสูบเไว้ยกมือใหัวซะเพราะว่ามันได้รงทุนหลายภาาวกพุ่มไ่ได้รองทุนหลายาิกาพุ่มเขาไ่ได้รองพุ่มหลายทุนหลายซีอสองขยไดว่าไหม แสนกลับท่านขาวสาลีข้าสามีนี่ไรมันจีบว่าแสนกลับเนี่ยสานีกับป็นเลโอสันตว่าของข้าว่มันหัวก็ทิมาลงมือสามือนี้มันสาลีตะรนเนี้ยมือสาแสนสาลีามสาลีอะล่ะหมู่ห้องน่ะมันจะมาหอดตอนนี้โอ้ของสันตามันมึอหัวกะทิเลยมาเกิดบ่มันหัวกะทิเลยมาเห็นผู้ประกอนี่เห็นเ็ดบื้องแล้วมู่ห มันซาบหนึงกับซาบนึงหละมากมันซาบเป็นมนุษย์กัซาบเป็นทรัพย์เอกสารมันว่าเป็นคว้าเป็นปูเป็นาเป็นเปเป็นไก่เป็นข้นหัวตาว่าเป็นขนศตราเป็นข้นรวยเป็นคนจนเด็พบว่ามัดุืาบด้วยหล่มูอห้ายังมาท่านเดีวไปจะพนธานแน่ดีอ่ะเทวาโลกก็มาโลกมูอห้าวเดี๋ยวไปมาคนแห้งแหละมอเรฮกมูห้างกับไปมาคนแห้งแหละก็ได้มาสเ เราอยูวงเวียนไงเวียนไงคือมนุษย์โลกวงเวียนไงนี่อันนี้แงออกจากมนุษย์โลกโลกแล้วป่ะไปเส็นบ้านกับไปเส็นทรัพยที่สาก็มีเปลือตัวกายก็มีไงเนี่ยครับไปสวรรค์ก็มีไงไปมรรคก็มีไไปทั้งถูกทั้งกุศลพลบุญทั้งชุปิปปนโอวิยยะสามีก็มีนั่นเป็นทั้งวงเวียนไงจะมนุษย์วงเวียนไงล่ะพวกนี่ ไห้ไปร่วมดีถท so right ้ไหนก็มาร่วมกับล่องเรียนนี่ซะก่อนี่เขาไปละให้ไเคือไปคือไปว่าจะขาดทุนราวัลควรสิรบกขึ้นมาหาวงเยีลนยหง่อีกบุญของไงไงเดี๋ยวไปแล้วไกลไปไกลไปเลยชีวิตเดือร่วงมากถึงขนานี้แล้วเนมว่าสนใจในถ้ำในไมไดพระองค์เจ้าเพิ่มเขาเพิ่มเขา คนห้าวทำบุญเยอะเสมอห้าวิะเข้าใจว่ามันอยู่ของเก่าบนบนมันไปอยู่ได้ไม่หลายขึ้นไปเลยบุคคลบูญทำบาปเยอะเสมอซึ่ง <scen> กันก็จะเข้าใจว่าบาปมันอยู่ของเก่ามาแล้วมันว่าบวกผู้ใจมันง่ายขึ้นได้ขึ้นทำบุญแล้วก็ไร้เข้าสู่ใจทำบาปแล้วก็ไร้เข้าสู่ใจไม่ต้อนเข้าคเหมือนโคและกระเบื้อะโคและกระเบื้องภาตอนขอบขอบเมื่อตอนขอบมันรวงขอบแล้วก็บนห้าวเฮ็ด แล้วนะมันเขาทำมาหาใจรอดไอยือื่นใคาบจักมันใจเอ้ยใจเอ้ยไมได้สานกุศลสินท่านน้ำพนเียบอเขาไม่เคยสามมันก็ตอบมันอะรมันบ่เคยได้สานมันตัวมันกระตัวอะไรขึ้นกลังนาทีเราคือ้วหัวน้ความรับไปมีในโรกมันกระตัวอะไรข้นหลมันตัวมันมันกับวสนิชขึ้นังคาจักความมัน เดี๋ยวควบโซนสองข่ายจะหน้าอยู่แล้วรับตาเขาสังข่ายจะหน้าทางมืดมืดตาหรือสองข่ายัะหน้าทางมือทางเหยียดมือนั่นกรรมไดผลของกรรมเขาไม่เขามาอันเดียวกันเหตุได้ผลของเหตุกขมามาอันเดียวกันเหตุรังผลกระนางเหตุนอนผลก็นอนเหตุพูดผลก็พูดเหตุฟังผลก็ฟังเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุว่าเข้าใจผลกับว่าเข้าใจเหตุเบื่อหู ผลก็เพื่อหูหรือกันเหติข้าศึกฟังผลก็บเข้าศึกฟังหรือกันเห็นก็ผลอยู่ทางกันพ่อเก่าเหตุจับผลจับเหตว่างผลว่าะเหตุพืบตาผลก่ะพืบตาเหตุรับตาผลกับมืนดเหตดมืดผลกัเห็นหูเหตุก็ผลอยู่หทางกันพ่อเก่าโอ้โหสังเขางอมากใช้ เขาสลบตอนใดมากเขาาโ ง, อ ง, งตอนใดฮตอนนั้นเขาสลบมาก่ะโอ้ยตะกี้งูอยู่มาสลบแล้วรว่านผู ค, คาดจะมอมนี้รอสามนาวะมันโวา่าเคือมืนี้นะมืดตาคืนนีิท่านรับตาเยอะมันมั น, ม, นมืดเลยวะท่นท่านมืดตาคืนนี้ข้าพเจ้าจะเล่นต่าไหมต่ำ ไ, ำไรเลยวะท่านมันไวยวายเลท่านนั่นมันเก่งง่ เหตุผลน้่เขาพูดถึาาแต่มาแห้งละเอียดกว่าน่ะบาปมันอย่าใส่บุญมันอย่าใส่บาปมันจะยุ่งหัวใจนะบุญมันจะยู่งหัวใจพูดถามหาบาปหาบุญเอาใจถามพูตอบเอาใจตอบท่ว่าถามกันรี่ว่าตอบกันเท่านันแะนั่นมาสบุญมันอย่าใส่พูดถามก็มันอยุ่งหัวใจบาปมันจะใส่มันู่หัวใจแต่เทียมันนี่กรบ้อมันนี่มันกับโมย บาไม่มีแกผู้ไม่ทบผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือผัวเมียไม่มีแก่ผู้อยอมเป็นโสดนับเมีนผู้่เนี่ยสงสยนะัยอ่ะนี่ตั้งใจพปที่วัดสามสิบทีสามครับงสงสัยหียอูโทรว่าพ่อมาตูโทษวามาแก กูโทรรามาเก็กูโทความมาตายเ้ามมีท่านบมมีสีนี่นะทีมีพ่ออาาผมมีกโทเยในใจโอยโลกยู่งวะไสวัสดีคุณป้าสวัสดีคุณลุงสวัสดีคุณหนูสวัสดีคุณ น, น, น, น, นอกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณกูคุณาจารย์เอาว่าจากใส เอามาจากอายุวัโนสุขังพลังของพระอายุวันโนสุขงังพลังะอันนี้อายุวนาสุขาพะเนอร้อนีประการมีอายุด้วยมีวันนะด้วยมีสุขะด้วยมีพะกําลังกายกําลังใจด้วยกรเรยนวนีูจอย่างหลอกย่างพุทานี้เป็นน้ำมันจะมีอะโกมันกดมีอะไรหรกความพรพุทธศาสนางงี้ค็พระพุทธศาสนาพุทีองค การแต่งชิ้นเนี่ยพอดึงสมยการทับ้าวทําข้าวก็เสียปืนโป้งพวกนี้สข้าับทับาวนะทะเลนักดาทะเลเรือดีสเวอร์นี่มันควรจะสะสมนแจกแ้งน่หรอกิูเลยนแตไม่กินเหม็นเท่าดีๆนะใครจะได้ให้เปรี้ปให้โป๊กมาใส เพราะมันฝังว่าท่านเผาว่าท่านตายตอนยุทุกงำหยาน้ำทองรองถนนม่วนน้ำปากบ่อปากต่างม่อนน้ำทั้งหนามทั้งเน่า่ะขันมันมีพระพุทธศาสนาแจกแจงแง่โลกดีมันมีพระพุทธศาสนาแจกแจงแง่โลกเนี่ยจะค่อยพะเบิงกันได้ใช้กันฟั่งเหยียบตากันเหยียบหยียบมตากันได้เม่เป็นเวทเป็นไพ่ขันว่ามีพระพุทธศาสนารอเอ้ย น่ากับจะลูกภาวเพราะมีเวทที่รอบคางว่าแพ้ไม่แพาไปนั่งกันได้ะอกะก็เพาะกระเพราะว่ามันมี่พระพุทธศาสนาแสกแสกเงินะ่ะขันบวกนี้พระพุทธศาสนาแสกแสกยุงงินนี่นี่ยเขามาพูเพศต้เพศถ้าเขาวามันหมาเดือดเก่าอยเงี้ยแต่ป่านนี้มึงยังจะเป็นไปยุ่นนี่แม่นบอกเห็นหนามาเลยจังหวะมันมี่โตเพราะโตแม่นบอก ได้ห้ยนอนผัวไปรเรียนสู้ได้ห้ยนอนเมียไปรเรียนสู้ผูกขอตายห่อนผมียห่อนเมียไปรเรียนสู้นี่หลายล่าอยู่แม่นบอกเออถ้าไม่ทราบทิ้นหายอ่ะนั่นถ้าพุทธศาสนาสอนด้วยเมื่อถังนี่ชิ้นหาเมื่ในโลกอันนี้ชิคัดของมัตเตใสเอาได้ว่าของ <c oughs> ท่านทำคุ้มครามโลกสองอย่างความร้ายต่อบาปพอามกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มความโลกได้ ถ้ามันมียาคายต่อบาปแล้วไม่ไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วก็คุ้มครองโลกไม่ได้คนไมายคนหมูก็ทัพก็อชั่วก็ตั้งมาอยู่หููเขาทาก็ไม่นําคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยพวกเราชาวไทยจงยึดเร่งเกี่งพุทเคารพและปฏิวัดพุทธเจ้าสนานถ้าก้อนละอายต่อบาปบ่มีความกลัวต่อบาปบ ขมูลตัวนี้ที่ที่เรากม่ได้ไปทำนที่เรางานนาก้นกันเท่ากับบอยใจได้ขัดถือม่หุ่นไม่บอยิ่งเท่าเด่นแด้ระกัปืนผมนั่นใส่ครับผมไม่มีเกตรกนาดอกนะติดบแตงอ้อยนี่ก็เอากันพู้มีเงินได้ระกัดหอบเงินอย่างไรจะรัดผิดประกาศพบจสระกัดอะไรอั่วแม่อนุ่นที่เปิดกระไรของพระเจาอ้ายตอบับดีไม่อนุ่ นั่นอ๋หน่อยเพราะว่าค่ายว่าร้ายเป็นโทษก <laughs> ็มึงเนี่ยสังคมมากจงรักษาปากเนอะข้าชิดอันนี้ <laughs> สังคมมากก็รักษาปาก <laughs> ถ้าว่าเร่องใช้ห้างหอยร่องใช้ผู้เรียนม่นก็ต้องสาระนะ มดโลกอย่งดใช้ห้องกูเดี๋ยใชู้เดียวถ้าสี่พรเจ้าวัดเดียวห้องมึงเคารพกูซะสิมึงไหว้กูเนี่ยห้องกิวไหวไใจห้องิว่าผูโททั้งโม่ทั้งโคยไม่ใจมันมาเชวัาสีดักคิดดกแ่หอไหนบบคนบาปน้าสาโหดสีมาดักคิดเ้อไนยังไงไม่ให้บอก ของอมาค์ด่างโปโก้เว้ยคิดใจถึงว่าพูดมาท่าผสมมันว่าจะคุดออกกันหรเปี่ยคุดฟังไว้คุดฟังไว้ที่เสาหงำเสาซ้ำเนี่ยก็ฟังแน่ยมันจิตกวยปฏิวัวิเลยก็จะคุดเีฟังในหัวใจเลยดรื่อยๆรๆอดก็ะดิ่แบบสองแสนสี่มืนหยดเขาเอาลูกระเบิดทั้งล่าเตะคิดใจถึงว่าพูดมา่าผสมแล้วเลกก็สองแสนสืยดก็ห้ไใมาทั้งล่าเตะ ตาร่างกาไม่ถึตายบอกว่ไม่เห็นไม่ใช่สองมหาสมุทรย็กใจกับวัวบับบบบบบบนึกว่าทีนี้ออกจากพระพูดพระรามพระสงค์มันสามารถทา้ามแบบนั้นแ ล, ล้วเราว่างสั่งเหรอผมัอกข่นพระสวามีราญโพธิ์จุเมืองเราพรพูทธพรารัมระสงค์นึกได้เลยได้เลยเพผูกขาดจองขา ขอทุนสวรรค์สรากายสกลละว่าจสกุลละใจทุกฝนทุกแหนทุกวชีตั้งตลอดคุ้งฝนคุ้งฝนตลอดช่องปากช่องหูช่องตาหาพุท่าสงศีรถเยวรถหยับเงาพนมลำร่ายข้าน้าม<ถ>ู่ในสกุลรกายว่าใจใจของข้าพเจ้าทุกคนทุกแหงทุกวิชีพตั้งงมามีประมาณเพื่อฝนทุกนว่าตาสองสามโดยด่วนในปัจจุบันในสางนี่บอข้าเจอ ท่านน้อยค่อยกายท่างหลายค่อยเวีนให้ผู้ขามาจ้องเที่ยวนวัตาสงสาอีกเฮ้ยยี่พอพุทธย่อมี่พอสงเอาผูา้ข่าไปน่ผลน่ลูกฝันนั่นแหละเออผลลูกฝันนั่นแหละก็สงสเฮย อ, อ, ยอานานที่สุดอานานตัวท่อดีของตัวจะเขาท่อัวเขาก็ยังอ่านานนตัวท่าดีพอจะไปขี่งูบ้ ม, มันไปอนี่น่นฉัน <laughs> เมื่อถ้าหยิ่งเปเขาว่าออกดอกมาบาตัวห น, น, นึ่งแลี้ยันนี้สั่งอ่ะปลูกเขาผูกมาบาได้ไว้ฮะสูว้วะสัน่นจะขามาบาเด้อวะสันะส่นมันนาจะบาปเลยสั่นมันลัขาดที่มาบาเนี่ยแล้วกัคอดเป็นลำลรัมไเลยเราประหยัดที่ดีกวัานี้มาผูกไว้กันบาปเั่นคือเขาวก็ว่าอาแม่งเขาเขาจะตัวกระยาดนี่ตัวกระโปงกาคาดอก อันนี้มันในว่มนมามันบรทามันขาดในค้อถือไปลำล้ำเนี่ยหอานวัสด์สันบรรทุยานบาบมั้งก็แมนข้อมันแ่ว่ามันแมนทสองขลวข้อมันขมว่าอันถูกว่อันบาบมึงเขาไม่แยกประคาล่ะเป็นบ้านละม่แยกประคายเงไม่ทมันตายเองวั์สนตัวว่านี่ยกไม่จะ่าเขาเป็นแงเขาว่าย่อบทามันขาดในค้อมันถือไปลำล้เนยสันว่แล้วก็ถือถือปองกันตัวได้ว่าจะาได้พว่าอันนี้ผีป่วนอันน้น ซิคคารบป็นหน้าท่บอ้าวเป็นซิคคารบที่สําคัญกว่มูสที่สุดข้นขาปลาได้ก็ต้องขาเป็ดขาไก่ได้คนขาเป็ดขาไก่ได้ก็ต้องขาม้าขามูได้ค้นขาม้าขามูได้ก็ต้องขาง่วขาคว้วยได้ค้นขาง่วงขาคว้วยได้ก็ต้องขาค้นได้คนขาค้นได้ก็ต้องขาท่านผู้มีคุณได้ ขาท่านผมมีคุนได้ขาพ่อขาแม่ได้ขาพี่สุสัมฤทรได้นั่นข้อเดียวนี่ลหละสำคัญข่อต้นเห็นสานพระองค์เจ้าช่วยขอต้นขาอาทิตย์หน้าท่านมันรักหลายแต่ยังมันรักช่วยเอาไปเมียนจะไปก่ขอนก็มาหาขอขาล่ะเน่ยาเมย์ไม่ใชาจาร รูป ไ, ไผ่มียไผัวไา่มันตปเรียงต่ลอกไปร่วงเมืเ่่มันเอาไปสำเหลาเอาเนื้อเมืดร่วงละเมื่เมืม่ที่สุดเอาไปขาเ น, นี่ยไปห้องขาหนุสาค่ะเนี่ยพูดปลดหลอกร่วงมันชิบมผไา้วอดต่อดทั้งประเทศชาศติเมื่อต้มถุนสารพัด ครับเส้นมีทรายกับอะไรมาตมาตุ้นมดตัววัดมันจจัดเขาในี่อาทิตหน้าทานนั่งจัดเขาในมุสาวาตนั่นงประกอบตุนนี่ก็ะดาไปราคาถ้าขอราคาในที่รับราคาในที่แจ้สุราห่านี่กินเม้าไลน์เน้่ยมู่ยากก่ากันก็นม่ใช่นี่มึงจะฟอพูดเหรูพูดจะกันเพราะว่าว้ากูพี่พูดดีเพราะว่า เทียงกับไปเที่ยงกัมาปืนตอกกันนั่นน้อง่อมข่าละม่อมเรามาแล้เลยเขางมกลสวยไว้าจะจับยุ่ธ์สั่หเหรอยังไม่ทลายไปสั่งจับยุทธ์สั่งกูพี่พูดมึงพูดว่าดีเพราะว่าเอากันยุ่หันอะรแล้ว่าเป็นฮีอะไรพวกนึงคนอุดอรนั่นสลาดเนี่ย เนี่ยเขาคนนึงเน่าแขกหัวเป็นัวไปเที่ยวพวกนขี่เหลามามาเน่ยหว่มามันก็บประชาชนทุกคนหายเลยมันสลดเนี่ยหัวเอามูมาแต่ว่าเขานี้แล้วมันทาเนียอามาเราเอามา ก, กินเราเอามา ก, กินมันไกลไปตัวหนึง่งพเขาล่องแค่นี้ปาา่า ก่านนี่จิ้สลาดามากมกเอาไหนได้ไม่เาไป